ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะขาดเมตตาวจีกรรมต่อหน้าแลยรับหลังพูดถึงความเลวของอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินมันเสียหายมากๆเลยเขาอาจจะเลวจริงนะนะแต่ถ้าเขาเลวจริงเราก็จะควรจะพูดความเลวของเขากับตัวเขาเองถ้าเราไปพูดให้คนที่สามฟังแล้วเขาคนที่สามก็เอาความเลวไปบอกคนที่สี่คนที่สี่ก็ไปบอกคนที่ห้าคนที่ห้าก็บอกคนที่หอย่าลืมว่าคําไหนที่เราพูดอย่าคิดว่าไอคนที่ สมมติเราคุยกันสองคนนะขอมาพูดกับเรื่องสองคนเรื่องความเลวใครสักคนอยากคิดว่าในที่สุดคนนั้นไม่ได้ยินมันจะอ้อมอ้อม้อมๆอมแล้วก็โคง้งชิ่งเข้าไปหาแล้วมันจะกลายไปอีกคนละเรื่องตอนแรกเราพูดอาจจะพูดเพื่อการแก้ไขกับสองคนแต่อีกฝ่ายอีกพอข่าวมันท้อท้กลายเป็นทําลายมันจะกลายเป็นว่าอีกคนหนึ่งพูดเพื่อการทําลายมันหลักการง่ายๆก็คือว่าอย่าพูดความเลวของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะ แค่ว่าอย่าพูดถึงคนที่สามอ่ะมันดีที่สุดในด้านความเลวถ้าพูดชมก็พูดเถอะแต่แม้แต่การชมก็อย่าชมศัตรูให้ศัตรูฟังนะถ้าแม้แต่กระทั่งการชมเนี่ยนะอย่าชมคนที่เขาไม่ชอบให้คนที่เขาไม่ชอบฟังอ่ะฟังต้องชมคนที่เป็นมิตรเนี่ยนะก็คือถ้าเขาเป็นมิตรกับผู้ใดชมคนนั้นแล้วให้ต่อ ต, ต, ต, ต, ต, ต่ไปอย่างงี้ได้ถ้าอย่าไปชมศัตรูให้อีกรค่ว่าอย่าไปชมค่าศึกให้อีกค่าสึกอีกฝ่าย ฟังไม่งั้นยิ่งทะเลาะกันไปหนักขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าพูดไม่จําเป็นจริงๆเลยจริงๆก็อย่าพูดถึงความเลวของอีกฝ่ายหนึ่งยิ่งพูดแบบเรียกว่าเหยียบย่ําเขาเท่าไหร่อย่าคิดนะว่าเขาไม่มีญาติไม่มีเพื่อนเสร็จแล้วมันก็จะโยงกลับเข้ามาหาตัวทีนี้ตัวมันก็ดิ้นรนต่อสู้กันนะศึกทั้งหลายสงครามน้ําลายสงครามวาจาก็ตามกันมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นไปเพื่อทุกเพรา ะ, ะกายกรรมความชั่ว หนักๆที่สุดก็ปาณาติบาตอธินนาทานแล้วก็กาเมสุมิฉาจาร์หนักๆเข้าไปอีกอะไร อ, อีก น, นะมุสาวาตก็แรงขึ้นแรงขึ้นเพราะจะเอาผิดอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะถ้าจะเอาผิดอีกฝ่ายหนึ่งตัวเองก็ต้องพูดให้มันผิดก่อนแล้วอีฝ่ายหนึ่งเขาจะผิดได้ใช่ไหมก็ต้องถือเอาผิดก่อนเมื่อถือเอาผิดเขาก็ส่อเสียดหาสมักพักพวกส่อเสียดกันขึ้นเนี่ยนะส่อเสียดแปลว่ายุแยกเนี่ยนะก็อีฝ่ายหนึ่งอะไรที่จะเป็นตัวแยก ก็เกิดการอยู่แยกเมื่อพูดการอยู่แยกมันก็ด่าอีฝ่ายหนึ่งให้อีฝ่ายหนึ่งเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยนะก็โอ้อกุศลอกุศลทั้งหลายก็ตามมาเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมันก็จึงเป็นคู่เวรกันอย่างในโลกใช่ไหม หนูกับอะไรที่ทะเลาะ ก, กันหนูกับแมวก็ทะเลาะ ก, กันหรือหมากับแมวก็ทะเลาะ ก, กันเป็นต้นเนี่ยนะก็มีสัตว์หลายกลุ่มที่เป็นคู่เวรกันอะไรกันเพราะสัตว์เหล่านั้นอดีตชาติก็สั่งสมเวรเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นเวรเนี่ยจึงไม่สามารถจะละได้ด้วยการมีเวรเนี่ยนะก็ะว่าเวรอย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรก็รู้จักให้อภัยกันบัง่งนร ว, ว่า้อีกฝ่ายหนึ่งคนที่ผิดก็ต้องรู้จักขอโทษ ในคนที่ถูกก็รูู้จักให้อภัยเนี่ยนะก็ถือเรียกว่าขันติธรรมวิหิงสาธรรมเนี่ยนะถือเมตตาธรรมต่อกันถือการไม่เบียดเบียนต่อกันถือการไม่ทะเลาะเบาะแวงก่อกันมันถ้าเราทะเลาะกันแล้วกำไรจากการทะเลาะมีอะไรบ้างอันนสงส์ของการทะเลาะนอกจากความสะใจถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเท่าใดตัวเองก็สะใจแต่กว่าคนอื่นเขาจะเดือดร้อนเท่านั้นเราก็เดือดร้อนไปเท่าไหร่แล้วและอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะมีเมตตากับเราไหม เขาก็จะให้ความเดือดร้อนแก่เราเหมือนกันถ้าต่างฝ่ายให้ความเดือดร้อนแก่กันและกันอะไรจะเกิดขึ้นมันสงครามในโลกมันก็เป็นไปด้วยอาการอย่างนี้แลเพราะพื้นฐานขาดความเมตตาต่อกันเอารัดเอาเปรียบกันเนี่ยนะทุจริตต่อกันเนี่ยนะก็ขาดเมตตาต่อกันเมื่อขาดเมตตาอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความจริงใจต่ออีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีเมตตากายกรรมต่อหน้าและหลังอีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งขาดเมตตาวจีกรรมต่ออีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งขาดเมตตามโนกรรมต่ออีกฝ่ายหนึ่งทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะปัญหาทั้งหลายการขัดแยง้งการการทะเลาะการการเบาะแว่งกันทั้งหลก็เกิดจากอาการอย่างนี้เมื่อเกิดอาการที่ทะเลาะเบาะแวง้งแก่งแย่งกันในลักษณะนี้โลกจะสงบร่มเย็นได้อย่างไรเนี่ยนะมันก็โลกคือใครก่อนลนะ่ะโลกคือเราก่อนเนี่ยนะถ้าเรามีคู่เวเนี่ยแค่เราคิดถึงเราก็เดือดร้อนแล้ว สมมติถ้าเราไม่ชอบหน้าใครสักคนหนึ่งแค่คิดถึงหน้าเขาเราก็เดือดร้อนแล้วถ้าเราไม่ชอบคําที่คนอื่นเขาด่าเราเขาแค่เราคิดถึงเราก็เดือดร้อนแล้วนี่เมื่อเราเดือดร้อนแล้วเราเออให้อภัยขอให้เขามีความสุขนะขอให้หน้าคนที่เราเกลียดเนี่ยประสบแต่ความเจริญตลอดไปเราคิดอย่างนี้ไหมขอให้คนที่เขาพูดกับเราไม่ดีเขาให้เขาบรรลุมรรคผลเร็วๆนะเขาจะได้พ้นจากทุกคิดตรงกันข้ามเลยใช่ไหม คิดตรงกันข้ามเมื่อคิดตรงกันข้ามปั๊บอสัตยธรรมทั้งหลายก็บริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาเช่นไม่มีกรรม ta, สกกรรมสกตาศรัทธาก็เจริญเมื่อไม่มีกรรม ta, สกดิสธิศรัทธาก็ไม่มีอะไรต่อไปไม่มีศีลเนี่ยนะความทุศีลทั้งหลายก็จะแพร่หลายเนี่ยนะเมือ่อทุศีลแพร่พหลายเฮเรโอตปะจะเกิดบ้างไหมไม่มีเฮเรโอตปะก็ไม่มียินดีที่จะฟังคําสอนบ้างไหมไม่เนี่ยนะสนใจที่จะฟังข้อข้ออะ ถ้อยคำที่เป็นไปเพื่อสงบเวรเป็นต้นไม้ไม่มีเมื่อไม่มีจากะฆาเป็นต้นก็ไม่มีปัญญาทั้งหลายก็ไม่มีเนี่ยนะอกุสลธรรมทั้งหลายก็เจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตนก็จะกลายเป็นว่ากลายเป็นคนที่มีแต่ความเบียดเบียนกันเมื่อเบียดเบียนกันก็กลายเป็นผู้ที่มีผู้ทําแต่ปาณาติบาต ท, ทาแต่อธินนาทานทาแต่กาเมสุมิฉาจารทาแต่มุสาวะทำแต่ ปิสุณาวาจาพุทวาจาสัมผัสปลาปะทับเจริญแต่อภิชาพยาบาทแล้วก็มิชาทิฐิเนี่ยนะนิวรนเป็นต้นทั้งหลายก็กลุ่มรุมเพราะฉะนั้นทุตจริญสามก็เจริญเมื่อทุตจริญสามก็พบสามก็เจริญก็เรียกว่ากามมาพบโดยเฉพาะกามมาพบเนี่ยนะชาติก็ตามลงมาเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหล่านั้นนําเกิดเมื่อนําเกิดไปไหนชาติชรามรณะตามด้วยโโกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาต มันไม่ใช่แค่ชาติเดียวสิ่งเหล่านี้มันประเภทงูกินหางเนี่ยมันกลืนกินเข้าไปเรื่อยทุกเข้าไปเรื่อยเนยนะพบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าพบสู่พบชาติสู่ชาติถ้าเราเก็บสติติพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะที่ที่ได้รับการเข็นฆ่าเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่ามันสมควรแก่เหตุจริงๆแล้วการทํากรรมกับการรับผลของกรรมมันสมควรกก่เหตุจริงๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าช่างเถอะคนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขา เขาจะเบียดเบียนมันก็เรื่องของเขาแต่เราต้องไม่เบียดเบียนใช่ชนเราอื่นจากเบียดเบียนแต่เราต้องไม่เบียดเบียนเธอศึกษาเอาไว้เลยนะตั้งใจให้ดีๆเลยนะว่าชนเราอื่นเขาจะเบียดเบียนก็ช่างเขาก็เรื่องของเขาอะแต่เราต้องไม่เบียดเบียนชนเราอื่นเขาทำปาณาติบาตแต่เราต้องไม่ทำปาณาติบาตคนเราอื่นเขาจะทำอธินาทานแต่เราต้องไม่ทาอธินาทาน จากงดเว้นจากอัินนาทานคนเราอื่นเขาทำการเมีเราก็จะกงดเว้นจากการมีสุมิชฉาจารคนเราอื่นเขาจากพูดเท็จเราก็จะกเว้นจากการพูดเท็จคนเราอื่นเขาพูดส่อเสียดยุแย่เราก็จะพูดไม่พูดยุแย่คนเราอื่นเขาจะพูดคำหยาบแต่เราต้องไม่พูดคำหยาบคนเราอื่นเขาจะพูดเพ้อเจ้อแต่เราต้องงดเว้นจาก คนเราอื่นเขามากด้วยอภิชาแต่เราจะเจริญอาณพิชาคนเราอื่นเขาเต็มไปด้วยพยาบาทแต่เราจากเจริญอัพยาบาทคือเมตตาคนเราอื่นเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิเราจากเจริญกรรมมัสกตาสัมมาทิฏฐินะรวบถึงที่สุดก็คือคนอื่นเขาไม่มีศรถถัทธาแต่เราเนี่ยจักมีศรถถัทธาคนเราอื่นเขาไม่มีฮิริโอตตปะแต่เราจาเจริญ มีริโอตตะคนอื่นเขาไม่มีสุตะเราก็จะเจริญสุตะคนอื่นเขาไม่มีจาระคาเราจะเจริญจาระคาคนอื่นเขาไม่มีปัญญาเราจากเจริญปัญญาคนอื่นเขาจะคบมิตรชั่วแต่เราจะมีกาลยานามิตรคนอื่นเขาเอาแต่แบกเอาแต่ความเห็นของตนก็ช่างเขาแต่เราจะไม่แบกเอาแต่ทิฏฐิของตนเป็นตน้นนั้นเราก็มาสมาทานประพฤติกุศลธรรมคนอื่นเขาไม่เจริญโพธิปักจยธรรมเขาไม่น้อมไปเพื่อรู้อริยสัจธรรมเป็นตน้นอา้าวเ็เรื่องของเขา แต่ของเราเพราะฉะนั้นประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยพระองค์บอกว่าประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งแต่ทีนี้ปัญหาว่าบางคนแหมต้องการแก้ไขถามจริงว่ามีบุญพอไหมล่ะถ้าอยากให้เขาสามัคคีกันมีบุญพอไหมขณะพระพุทธเจ้ายังให้พระภิกษุกลุ่มนี้เบื้องต้นสามัคคีกันไม่ได้เนี่ยนะบางทีก็ต้องรอเนี่ยนะต้องรอเหมือนกันเรามีบุญขนาดไหนที่จะปรับทัศนคติให้เพียงพอบางทีเนี่ยหนักๆเข้าเนี่ยประโยชน์ของตนก็ไม่เหลือ นันเข้ามาเนี่ยมันไม่ร่วมทํากรรมอะไรมาเกิดมาเจอแต่สังคมส่อเสียดแล้วก็ทะเลาะเบาะแวงกันในที่สุดสงครามน้ำลายเนี่ยท่วมกันไปหมดเลยเนี่ยนะเจอมาค่อนข้างเอ้สามสี่ภาคแล้วตอนเนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ที่นะต้องว่ากันเป็นภาคภาคเลยเนี่ยนะทะเลาะกันเนี่ยภาคเออเจอมาสี่ภาคที่ที่ค่อนข้างแตกแยกกันขาดความสามัคคีกันแล้วก็ทะเลาะกันแล้วกุศลไม่เจริญกันทั้งคู่ กลายเป็นว่าพวกนี้ในที่สุดนะทุกคนจะพูดเหมือ น, นไงพวกธรรมะทําไมมันยุ่งอย่างนี้เขาว่างั้นเนะมื่อก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้เลยมางั้นนะกลายเป็นว่าพวกธรรมะเนี่ยมูสาวมากกับเพื่อนซอเสียดมากกับเพื่อนอยุแยมากกับเพื่อนอะไรเป็นตน้นอันนี้ต้องระวังเข้ามาเนี่ยได้ยินมาเยอะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เบื่อความเป็นอย่างนั้นเต็มทีแล้วว่างั้นจะชักรําคาญมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นทุกทีเพราะทําไมมาขาดเมตตาต่อกันบางทีชาวโลกเขาตีหัวกันก็นยังนั่ง คุยกันได้นั่งกินข้าวกันได้บางทีเรามันก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องทางนั้นเลยเนี่ยนะบางทีก็เรื่องรองเท้ามั่งเรื่องนั่งข้างหน้านั่งข้างหลังเรื่องเก้าอี้เรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องชามข้าวเรื่องกับข้าวเรื่องเรื่องบางทีเรื่องใครกราบก่อนใครกราบหลังใครให้ก่อนใครให้หลังใครประเคนใครไม่ประเคนเรื่องมันมีเท่านั้นจริงๆบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยเนี่ยนะมันก็หนักๆเข้ามาทำไมมันแห้งแรงเมตตากันขนาดนั้น แห่งแรงเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยนะแห่งแรงเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้ารับหลังแห่งแรงเมตตาวาจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเนะนี่ยนะมันคนอื่นเขาเลวถ้าเราพูดถึงความเลวคนอื่นมากๆแล้วเราโก้ขึ้นบ้างไหมเราจะบรรลุมรรคผลเพราะเหตุเหล่านั้นไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าสิ่งที่เราฝักฝ่ายสแสวงหานั้นคืออะไรเนี่ยนะมันก็ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้บาปเยอะนะี่นะอย่างคนอื่นเขาผิดจริงเนี่ย เราควรจะกกรุณาหรือเราควรจะซ้ําเติมถ้าตั้งจริงๆเลยเนะี่ะเอาเขาผิดเอาก็เขาบอกอาก็เขาผิดน่ะเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่ในสมาคมของพระอรหันต์ทุกคนไม่ผิดเป็นพระอรหันต์กันหมดไม่มีใครผิดถ้าอย่างนั้นมันก็จริงก็ดีแต่นี่มันบัญกรมบทมันมีสิบข้อไหมประตูนรกมีสิ บ, บานบางคนนี่ก็ไปเปิดไว้คนละบานสองบานมันก็แสดงว่ามีมีความเลวส่วนตัวแทนที่เราจะช่วยกันปิด ช่วยกันปิดหรือถ้าเราช่วยให้เขาปิดไม่ได้แล้วทําไมเราต้องไปเปิดด้วยอ่ะเขาเปิดประตูของเขาเราก็เปิดอีกบานหนึ่งของเราว่าเรานี่โก้มากเลยนะเราเก่งมากเขาเปิดประตูนรกได้ฉันก็เปิดได้นะไม่ธรรมดาเนี่ยนะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ถามว่าจําเป็นนักหรือไงที่เราต้องไปแก้ไขเขาเนี่ยนะขนาบางทีเราก็คิดกันง่ายๆเลยนะบางทีนะครูบาอาจารย์ของเขายัางพูดอะไรกับเขาไม่ได้ บางทีเพื่อนของเขาก็ยังพูดอะไรกับเขาไม่ได้บางทีครอบครัวของเขาที่เขารักกันมากเขายังพูดอะไรกันไม่ได้แล้วเราเป็นใครแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพูดอย่างงี้เพื่อไปซ้าเติมเพื่อจะเหยียบจะย้ำจะเหยียบจะยําเราก็กรุณาทำไมคนป่วยทั้งร่างกายเราการุณาเราปรีบพาส่งโรงพยาบาลช่วยหาหมอเป็นต้นให้แต่ถ้าคนผิดทางใจล่ะเอคนที่เป็นอกุศนทาไมเราไม่กรุณาอย่างเช่นคนที่เขามีโทสะทำไมเราไม่กรุณาเขา ว่าเนี่ยโรคใจของเขากำเริบเลยนะอย่างคนที่เขาล่วงมาทางวาจาเนี่ยโรคนี้อาการหนักแล้วนะโรคนี้อาการขนานี้มันเปิดประตูอาบายได้เราสงสารเขาไม่ล่ะเนี่ยนะเราก็ไม่ใช่คู่เวรกันที่แม้ได้เห็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาเดือดร้อนเท่าไหร่เราก็ยิ่งสะใจขึ้นเท่านั้นมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นความเมตตาธรรมต่อการเนี่ยควรจะมีให้มากเลยนะเพราะบางทีเราก็ถามว่าปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลเราทําเพื่อเขารู้ว่าทำเพื่อ เพื่อเราถ้าทำเพื่อเราแล้วเราจะเสียหายไม่ล่ะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราไปทำแบบนั้นแล้วเนี่ยนะคือคนที่ที่ไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเนี่ยนะโดยมากผู้ถือพิทักษธรรมเขาวางกันพวกนี้เขาคิดว่าเขาเนี่ยองครักษพิทักธรรมเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเรียบร้อยบูรณาการสมบูรณ์แบบทุกคนต้องมีแต่คนดีเพะะนันการที่จะเป็นคนดีเขาอะ่ะคือคนจัดระเบียบ คนอื่นก็เลยมาจัดเขาเหมือนกันว่าทําไมคุณไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นมันก็ยิ่งทะเลาะกันขาดเมตตาต่ อ, อกันเนี่ยนะพอามาว่าโอ้ยจะบิณฑบาตได้จะขอบิณฑบาตอันดับนี้เป็นอันดับแรกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคิดถึงประโยชน์ของตนให้มากมเถอะหมายเพราะว่าประโยชน์ตนหมายประโยชน์ในการเจริญงอกงามในพระศาสนาเนี่ยนะระลึกถึงว่าสาระของการเข้ามาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนคืออะไรพระพิสุท่านก็ทะเลาะกันพิสุตสมัยพุทธกาลก็ทะเลาะกันจนถึงพิสุยุค ป, ปัจจุบัน ก็ทะเลาะ ก, กันสงครามน้ําลายเนี่ยมีข่าวหน้าห น, าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะสงครามน้ําลายของพระพิสุตอนนี้ก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะแล้วก็มีอีกหลายก๊กด้วยไม่ใช่กกเดียวเนี่ยนะมีหลายหมู่แม้กระทั่งกลุ่มคารวะอีกก็หลายเผ่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาเนี่ยเป็นชาวพุทธและาศาสนาพุทธเจริญได้ยังไงพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาว่าสอนทำให้พวกเธอทั้งหลายจะได้ทะเลาะ ก, กันไหมไม่มีโรคเนี่ยนะ ไม่มีที่ไหนเขาพระองค์คิดอย่างนั้นหรอกอันของพวกเราเราก็ควรจะมีเมตตาต่อคนอื่นแต่ถ้าเราสู้ไม่ไหวเรากถถ็ถอยออกไปแต่ไม่จําเป็นต้องไปป้ายอุจาระาาา ใ, ใ, ใระส่คนอื่นเนี่ยนะไม่จําเป็นต้องไปป้ายอุจาระมิดฉาวาจาใช้หอกใช้แแมพใช้ระเบิดไปกดใส่คนอื่นให้เขาแตกแยกกันอะไรกันเนี่ยนะนั้นถ้าบางคนก็ต้องสมาทานถ้าจะเลวก็ขอให้เลวเฉพาะตัวเถอ เนี่ยนะถ้าไม่ดีก็ขอให้ไม่ดีเฉพาะตัวเป็นอาศัตบุรุษก็ให้เป็นอาศัตร์บุรุษเฉพาะตัวอย่าเป็นอาศัตบุรุษยิ่งกว่าอาศัตบุรุษเขาเรียกว่าโดยการดึงคนอื่นให้ไปเป็นอาศัตบุรุษร่วมเพรานชั่วก็ชั่วคนเดียวทําไมต้องหาพวกด้วยเนี่ยนะแต่แท้ทว่าดีนี่อย่าดีคนเดียวหาพวกด้วยนี้ดีแต่ถ้าชั่วนี่ชั่วคนเดียวก็พอแล้วเราสังเกตดูนเนี่ยนะเวลาป่วยเราหาพวกมาป่วยด้วยกันไหมต้องการอย่างนั้นไหมเราก็ไม่ปรารถนาเพราะฉะนั้น สมาทานที่จะเจริญเมตตากายกรรมแล้วก็ Shang <ej ens. S 2> สมาทานเจริญเมตตากายกรรมต่อหน้าและรับหลังสมาทานที่จะเจริญเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังสมาทานที่จะเจริญเมตตามโนกรรมทั <Ganz S 2> ้งต <g equally> ่อหน้าและรับหลังส่วนรายละเอียดแล้วก็ตอนบ่ายมากล่าวกันต่อช่วงเช้าก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน